คนขี้น้อยใจเจียดนิดเดียวกับการเป็นคนใจร้ายเพราะวูบของอารมณ์น้อยใจอาจทำอะไรลงไปโดยไม่เห็นใจใครสักนิดเดียวได้ในอารมณ์วูบวามหรือกระทาตามอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้มีความต่างกันเลยระหว่างคนใจดีกับคนใจร้ายจะมีก็แค่ความแตกต่างระหว่างคนใจดีที่เสียใจมากมายในภายหลัง กับคนใจร้ายที่ไม่รู้สึกรู้ซาใดๆเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ชั่วโมงกี่วันวิธีเป็นคนเข้มแข็งแค่เต็มใจกำจัดจุดอ่อนคือไม่ทำตามอารมณ์อ่อนแอไม่พูดไม่ทำอะไรในขณะน้อยใจและเอาอารมณ์น้อยใจเป็นตัวตั้งในการเจริญสติอารมณ์น้อยใจก็จะกลายเป็นวูบหนึ่ง ของโทสะที่มีค่าขึ้นมาทันทีเจริญสติแก้โรคขี้น้อยใจเมื่อคนที่เราอยากให้เขาแคร์แต่เขาไม่แคร์อย่าไปดูตรงที่เราเกิดความรู้สึกหมุนมองมันจะยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่จะเข้าไปรู้เข้าไปดูอย่างไรก็ไม่ได้ผลให้ดูอะไรง่ายๆก่อนเช่นอาการทางกายเป็นอย่างไร มันมีอาการก้มหนางุดเหมือนกับมองพื้นท่าเดียวไม่ยอมมองฟ้าไม่ยอมมองหน้าผู้คนสำรวจดูว่าในอาการโค้งงอของหลังในอาการกระปรกกระเปี่ยหมดสภาพนี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกอยู่เราจะรู้สึกเลยว่าอารมณ์ที่ปักที่ดิ่งที่น้อยเนื้อต่ำใจนี้จะเบาบางลงทันทีมีอาการเหมือนกับพ้นน้าขึ้นมานิดนิดได้หายใจใหคอ สูดอากาศบริสุทธิ์นิดหนึ่งแทนที่จะจมอยู่กับหนองน้ําของความเศร้าเมื่อเกิดอาการจมลงไปอีกเราก็สังเกตอีกเรื่อยๆเช่นกันเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่เราจะเห็นความไม่เที่ยงและเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าการก้มลงไปด้วยความน้อยใจแต่ละครั้งเป็นอาการโง่เปล่าเป็นความสูญเสียเวลาไปเปล่าเปล่าสูญเสียกายสูญเสียจิตไปเปล่าเปล่า ไม่สามารถเอามาทําประโยชน์อะไรได้เลยพอเราไปถึงขั้นของความรู้สึกตรงนี้ใจจะแสดงความฉลาดออกมาด้วยการที่มีสติคมมีสติไวเมื่อไรที่เริ่มคล้อยลงสู่อาการน้อยเนื้อต่ําใจใจจะดึงตัวเองขึ้นมาเองถอนขึ้นมาเองวูบแผงอารมณ์น้อยใจเป็นแค่จึดหนึ่งของใจถ้าคุณไม่ถูกมันจุดติ่งลงสู่อาการจมมิด จิตจะค่อยๆลืมตาอาปากได้กลับมีสติเบิกบานขึ้นดุดโผล่พ้นน้ำคร่ำขึ้นบกอันแห้งสะอาดเสียได้ฉะนั้น